การบวชนะมันเป็นการบ่มจริตนิสัยของตัวเองบ่มยังไงเอาอะไรมาบ่มเอาตปะธรรมนี่แหละมาบ่มนะตปะธรรมมีอะไรก็มีศีล น, นั่นนะศีลเป็นตบะเอาความอดทนเป็นตบะเอาศีลเป็นตบะศีลเป็นขอบเขตสําหรับเราจะเดินไปในกรอบในขอบในเขตความอดสัปพยายามความขยันหมั่นเพียรเป็นตบะ เป็นแรงเรง่งเป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุน้นเป็นตะปะแผดเผาคำว่าตะปะแผดเผานั่นแหละคือสิ่งที่บ่มสิ่งที่ไปบ่มถ้าเราจะเทียบกับเราบ่มกล้วยนี่ก็เหมือนกับความร้อนของแก๊สนี่นแหละความร้อนของความอบอบอุ่นจากความร้อนของดวงอาทิตย์อบอุ่นจากอะไรละ่ะจากองจากอาง าจากกระสอบจากอะไรเหมือนอย่างาระบบกล้วยระบบขนนเนี่ยไงระบบ ม, มดุดลำไยอะไรเนี่ยอาศัยความร้อนไประบมไปไปบม่มจิตินิสัยของเราก็เช่นเดียวกันต้องเอาธรรมะมะบ่มเอากิเลสบ่มก็เท่ากับว่าเราเอาฟืนยิ่งเอาฟืนใส่ให้มันเอาเชื้อใส่ให้มัน ถ้าราเอากิเลสบ่มอะไรที่ว่าเป็นกิเลสเอาไปบ่มยังไงกิเลสก็คือราคะโทสะโมหานั่นแหละความอิจฉาริษยาพยาบาทต่างๆนั่นแหละความอยากละพูดถึงหัวยอดเอามันหัวฝีเขามันคือความอยากตัวหัวหัวตัวหัวฝีของมันตัวนําวิถีเขามันอับตัวความอยากนั่นแหละความอยากก็คือตัณหานะ มันเข้าหลักนะความอยากคือตัณหาตัณหาคือความทยานอยากใจมันทยานอยากมันไม่หยุดไม่นิ่งทําไมเราใจเราจึงไม่เป็นสมาธิทําไมใจเราถึงไม่เป็นสมาธิเพราะใจมันถูกกิเลสมันแทรกเข้ามาทําให้จิตเนี่ดิ้นไปตามอํานาจของกิเลสหยุดไม่ได้นิ่งไม่ได้ต้องดิ้นรนท่านเรียกว่าดิ้นรนทะเยอทยาน ดูดูที่ไหนไม่เห็นหรอกแล้วดูไปที่ใจเราเห็นนี่เราพูดถึงธรรมะไนงะนั่งนั่งภาวนาฟังไปสบายๆนะนั่งภาวนาฟังฟังไปกิเลสพาดิน้นยิ่งเราธรรมะไประบมไปบม่มเหมือนกับเราไปอัดมันอาไว้ไปปิดรูมันไว้ปิดช่องมันไว้มันก็ยิ่งดิ้นใหญ่เลยและ เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เราต้องขยเกันนะต้องต่อสู้กันต้องชักขยเยิรกันเราต้องการให้มันสงบมันสงบไม่ได้เพราะแรงดินมันมากแรงเกเลรมันมากเราดูเพื่อเป็นการปฏิบัติหลังจะดูยังไงเราดูไปที่ใจของเรานะั่นมันอยากอมันอยากอะไรมันอยากสิ่งนู้นมันอยากสิ่งนี้อยากเพื่ออะไรอยากเพื่อวัตถุกรรม อยากได้สิ่นุนอยากได้สินี้นอยากอยา ก, อยากได้มาทำไมอยากได้มาเพื่ออะไรลูความอยากดูยังไงถึงจะไม่ให้ความอยากมันมามาลุกล้ำหมุนใจของเราดูไปที่ความจำเป็นวัตถุสิ่งของของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านให้ดูที่ความจำเป็นเช่ น, นอย่างน้ำมีความจำเป็นเพราะเวลาร่างกายมันหิวกระหายอาหารน่ะมันมีความจำเป็นเพราะร่างกายต้องการ ถึงกระนั้นก็ตามเราเป็นนักบวชเราจะต้องใส่เป็นการเป็นคราวที่ดีที่เหมาะอเช่นยามไหนยามยามกาลยามไหนยามวิการเป็นอย่างเพราะถือศีลแปดถือศีลสิบสมณีนั่นถือศีลสองรอยิบเจ็ดพวกเราถือศีลแปดศีลแปดก็ตามศีลสิบก็ตามศีลสองร้อยี่บเจ็ดพเจ้าประสงค์นี่ก็ตามมีขอบเขต มีขอบเขตการไหนเป็นการบริโภคได้การไหนเป็นวิกาลบริโภคไม่ได้แม้แต่ว่าเราจะใส่อาหารไปได้ก็ตามแต่ต้องมีการมีลานี่นี่คือกรอบระบอบขอบเขตของก ฎ, ขอ ง, กฎของระเบียบของศีลศีลเป็นรั้วรอบขอบชิดเอาไว้ขังใจเอาไว้ใจมันอยู่ในนั้นอยู่ในกรอบนั้นเอาสติ มัดเข้าไว้เอาสัมปชัญญะมัดเข้าไว้เอาขันติเอาโสระ จ, จะมัดเข้าไว้บ่มเข้าไปเอาความอุตสาพยายามความเขียนหมันเพียงรับบ่มเข้าไปบ่มเข้าไปบ่มไปที่ใจนะบ่มไปบ่มไปใจหากมันหากรู้สิเนะรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกเนะรู้สึกตัวขึ้นมามันก็พอจะลืมตาอ้า ป, ปากได้ มันพลอยจะตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาได้มันตื่นจากอะไรมันตื่นจากความหลับหลับคือความลุ่มหลง่ะกิเลสพาหลงมันพาเราหลงตอนไหนมันพาเราหลงตอนเราเพลินไปกับอารมณ์นั่นแหละอืมอะไรที่เป็นรูปอะไรที่เป็นเสียงอะไรที่เป็นกลิ่นอะไรเป็นสิ่งที่เราชอบใจนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นท้าเรียกว่าอารมณ์เราดูไปแล้วเราเพลินไป เพลินไปไหมายว่าเราหลงไปกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นหลงเพลินไปเราระเบิจิตใจของเราทําให้จิตของเราตื่นขึ้นมาตื่นจากความลุ่มหลงรู้จักรู้จักรู้สึกตัวว่าเออผิดชอบชั่วดีอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเนี่ยมันตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาแล้วพลอยเริ่มจะรู้จักจับเหตุจับผลในในในกายของตัวเองในจิตของตัวเอง ในการในงานในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องมันพลอยจะเริ่มรู้สึกจับว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนี่มันเป็นเรื่องที่ไปจากธรรมทั้งนั้นนะเนี่ยไปจากธรรมทั้งนั้นประโยค์แรกเมื่อกี้เราพูดถึงการบวชการบวชที่ว่าเป็นการมาบ่มมาอบมารมมาบ่มบ่มอะไรบ่มใจบ่มอธัธยาศัยบ่มนิสัยใจค อ, อถ้าเราจะเที่ยวก็กล้วยมันดิบนะ มันไมีรสหวานมันไมมีความหวานม่วงเอ่ยเนี่ยสับปะรดเอยอะไรเอ่ยที่เราระบ่มให้มันสุกขึ้นมาเพื่อต้องการรสหวานใจของคนเราก็เช่นเดียวกันใจดิบดิบเขาไม่ใจดิบก็คือใจไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนั่นแหละใจไม่รู้เหตุไม่รู้ผลใจไม่รู้สินไม่รู้ธรรมใจไม่รู้จักควรระงับหยับหยั่งไม่รู้หยับควรนึกไม่ควรนึกควรคิดไม่ควรคิด ควรนรัมริควรใช้สติควรใช้สัมผััญญะควรใช้ความอุตสาหพยายามคอยความขยันเหมือนเปี่ยนนึกไม่เป็นคิดไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกฝนอบรมคือมาเรียนมาฝึกราต้องมาเรียนมาฝึกสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนต้องฝึกโดยปกติลำพังจิตเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่เอาธรรมะมาฝึกเนี่ยกิลเลสมันจะฝึก กิเลสภายในใจของใครของเรานั่นแหละมันฝึกโดยอัตโนมัติของมันเพราะเราเกิดมาด้วยอํานาจของกิเลสไม่ว่าเราไม่ว่าท่านเราต่างเกิดมาด้วยอํานาจของกิเลสกิเลสมันฝึกเราตลอดอเรานึกเราคิดเราพูดเราคิดเราทำเราอะตามอํานาจของมันทั้งหมดมันอบรมเราตลอดอบรมเราตลอดถ้าเราไม่มีนิสัยเป็นธรรมด้วยแล้วเนี่ยเป็นของมันทั้งร้อยเปอร์เ็นเลย ของกิเลสตวรอรเซถ้าเรามีจิตนีิสัยเป็นธรรมะอยู่ในใจบ้างก็จะทําท ب, ทหทททให้เรารู้จักนึกคิดเทียบเคียงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบจะทําให้เรารู้จักนึกรู้จักคิดโดยโดยอัตโนมัติเราจะเห็นความหนักแน่นในใจของคนเราน่ะจะแตกต่างกันจะไม่เท่ากันจะมีความฉลาดจะมีความรอบครอบจะมีความอดความทนแตกต่างกัน เนื่องว่าเนื่องจากว่าจริตนิสัยมันอบรมสั่งสมมาแตกต่างกันแต่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยเกือบจะเป็นของมันทั้งหมดที่เมื่อเราเระลึกรู้สึกตัวมีที่ภาวนามีครูบาอาจารย์บอกสอนมีมุขเพื่อนเป็นกําลังจิตกําลังใจเราก็ต้องใจอบรมต้องใจอบรมเพื่อพลิกเปลี่ยนจริตนิสยัยอับทย า, ายัยที่มันหยาบที่มันกระด้างด้วยอำนาจของกิเลส ให้มัละเอียดละออกขึ้นมานี่เราต้องฝึกเราต้องอบรมหนทางนี้เป็นหนทางเพื่อความฝึกเป็นหนทางเพื่อฝึกเป็นหนทางเพื่ออบรมมีหนทางตรงนี้นะนี่หนทางตรงนี้หนทางตรงนี้หนทางตรงที่เรานั่งอยู่บนชลาเนี่ยหนทางคือการบวชเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ของเรา่ เราก็น่าเสียดายเสียดายเวลาเวลาที่ลงไปเราทําธุระปัง้งยางอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่รองลงไปภาระหน้าที่หลักของเราก็คือมาฝุกฝนอบรมบ่มจริตวิสัยของตัวเองให้ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการต่อกอนกันกับกิเลสกิเลสมันพาจิตเราวุ่นวาย ก็ควรจิตเราตลอดทุกระยะทุกเวลาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เราฝึกฝึกให้มีสติฝึกให้มีสัมชัสใจฝึกให้ภาวนาการบวชบวชีบ ว, บวชบวขาวบวชเนนบวชพระบวชสินแปดนี้ก็ถือว่าตั้งใจมาดีแล้วตั้งใจมาเพื่อที่จะฝึกที่จะอบรม การฝึกการอบรมอันนี้เป็นการขัดเกลารีทิ่มิสัยของตัวเองเราขัดเกลารได้มากน้อยเท่าไร่เราก็ถือว่าเราได้ความดีมากเท่านั้นความดีอันนี้แหละท่านเรียกว่าบุญบุญคือความดีความดีคือบุญบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขเป็นชื่อของบุญที่อย่างที่ท่านเรียกว่าคนมีบุญคนมีบุญคนมีบุญอยู่ยิ่เฉยบุญจะเกิดขึ้นไม่ได้มีไม่ได้ จะต้องทําบุญจะต้องทําบุญคําว่าทําบุญในที่นี้หมายความว่าเรามาฝึกหัดดัดกายของเราดัดไหวจา่าของเราดัดใจของเราให้เป็นไปตามธรรมยิ่งฝึกหัดขัดเราได้เป็นไปตามธรรมเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีบุญเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นมากเท่านั้นขนาดนั้นอันนี้เป็นบุญทีได้ติดแนบไปกับเนื้อกับตัวของเราแท้ๆ แ, และบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําบุญให้ทานเหมือนอย่างที่ว่า ตั้งกองบุญตั้งกองบุญทำบุญทำบุญแจกข้าวทำบุญอุทิศบุตรตายทำบุญให้ว่าคนนั้นให้คนนี้อนี่จะเรียกว่าตั้งกองบุญบางทีก็เอาคำว่าให้ทานเนี่ยเป็นกองบุญเป็นบุญเฉยๆไม่ได้ประพฤติให้เกิดบุญด้วยกะด้วยวาจาด้วยใจเพียงแต่เสียสละให้ทานก็ถือว่าตั้งกองบุญเป็นบุญอแต่มันก็หากเริ่มขยับเข้ามาแล้วแหละ มีการให้ทานมีการรักษาศีลรักษากายวยจาจาใจการรักษากายรักษ า, กาวจาจารใจเป็นการมาอบรมบรมนิสัยของตัวเองข้อปฏิบัติต้องเป็นหนึ่งข้อปฏิบัตินี่เป็นบรรทัดฐานข้อปฏิบัตินี่เป็นแนวทางที่จะทําให้เราดําเนินตามได้ไม่ใช่เราอยู่แบบไม่มีข้อปฏิบัติอยู่แบบเคว้งคว้าง มันรู้จะยึดมันรูนจ้จะเกาะมันจะจับอะไระเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงสินของตัวเองสินเป็นรัว้วเป็นเกาะจากนั้นเราก็าอบรมจิตให้สงบที่เรียกว่าสมาธิจากนั้นเราก็พิจารณาเพื่อทําลายความรุ่มหลงของตัวเองให้เกิดปัญญาเกิดความรอบรู้เราเระลึกจับหลักได้ตร ง, ง, งนี้ได้เราก็ไม่เคว้งคว้างแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ในอิริยาบดใดก็ตาม เราไม่ทิ้งกิริยาอบรมกายอบรมวาจาอบรมใจของเราตรงนี้เราก็ได้บุญตลอดแต่ถ้าเราไม่ไม่พยายามยกจิตของเราให้มาอยู่บนเส้นทางบุญตรงนี้กิเลสมันก็ดึงลงไปในทางต่ําพาคิดเรื่องนั้นพานึกเรื่องนี้นึกเรื่องสเพเฮระเรื่องลามกยกเปตฉลพัณฑ์เรื่องคิดอย่างหนึ่งเขาคิดเพื่อเบียดเบียน คิดอย่างหนึ่งคิดเพื่ออาฆาตเพื่อพยาบาทคิดเพื่อเบียดเบียนคิดเพื่อแก้แค้นคิดเพื่ออาฆาตคิดเพื่อพยาบาท อ, อย่างที่ท่านเรียกว่ากา ร, รมวิตก<อ>วิหิงสาวิตกคิดเพื่อจะเอากา ร, รมวิตกคิดเพื่อจะเอาตามหน้าของความอยาก วิหิงสาวิตกคิดเพื่อที่จะเบียดเบียนชนไก่ชนบัวชนควายกัดปลากัดเนี่ยเงี้ยกัดจิงรีดถือว่าเป็นเรื่องของกีฬาชนไก่เนี่ยมันชนกันจี ก, กันจนเลือดไหลแต่กันจนคอจะขาดเราสนุกนี่เราเรียกว่ามันนึกคิดเลยเปื่อยเพื่อเบียดเองตนเองเพื่อเบียดเบียนคนอื่น เปนเรื่องของกิเลสทั้งหมดน่ะถ้าเราไม่ฝึกอ่ะมันจะพาจิตของเราไปนึกไปคิดแบบนั้น่ะจากนั้นแล้วก็เครียดแค้นชิงชังให้กับใครก็พยายามพยายามบัคือคิดจะแก้แค้นที่แรกก็นึกคิดธรรมดา น, นึกไปนึกมาคิดไปคิดมาอา้าวชักมองเห็นนู่นมองเห็นนี่มองเห็นปืนมองเห็นมีดมองเห็นของคมของแหลมคิดมากมากคิดหนังมาเข้า ถึงกับต้องลุกเดินไปเพื่อที่จะไปประหัรประหารแน่เห็นไหมกิเลสถ้าเราปล่อยให้มันนึกคิดตามเรื่องของมั น, ม, นมันไม่มีที่จะพารานึกคิดในทางที่ดีที่งาคิดเพื่อที่จะโลภที่จะเอาคิดเพื่อที่จะเบียดเบียนเนี่ยพื้นเพยเจตินิสัยของจิตเป็นนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกฝนอบรมฝึกฝนอบรมให้รู้จักกามวิตตกคิดเรื่องกาม เรารู้ทันมันก็ดับคิดเรื่องกามเรารู้ทันมนก็ดับคิดเรื่องพยาบาทเบียดเบียนสัตว์อื่นสิ่งอื่นพอเรารู้ทันมนก็ดับคิดเมตตาแทนคิดไม่คิดในแง่ไม่เบียดเบียนคิดในแง่เมตตาคิดในแง่ให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาปีขาเป็นธรรมะธรรมะยิดใ จ, จผู้คิดนึกคิดชุ่มเย็น ความนึกความคิดแบบนี้เป็นธรรมไม่ใช่กิเลสแต่จะนึกคิดเพื่ออาฆาดเพื่อพยายามบเพื่อเบียดเบียนเป็นเรื่องของกิเลสจิตคนเราทําไห้ฝึกกิเลสมันจะเอาไปฝึกถ้าเราไม่เอาธรรมมาฝึกกิเลสมันจะเอากิเลสมาฝึกเพราะกิเลสเป็นพื้นเพเดิมของจิตอยู่แล้วเพราะเราเกิดมาด้วยอํานาจของกิเลสไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่ไม่มีกิเลสจะไม่เกิด เพราะไม่มีการยึดมั่นสำคัญมั่นหมาย ใ, ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นเหตุให้ไปเกิดในภพนั้นในภพนี้เพราะฉะนั้นผู้หมดกิเลสแล้วจ ะ, จะไม่มาเกิดพวกเรามาเกิดด้วยกันทุกคนก็แสดง ว, ว่าอมกิเลสเต็มแปรมาด้วยกันมาเกิดเราไม่ได้เร า, มาไราม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้างว่าคนหนึ่งเคยฝึกฝนอบรมมามากคนหนึ่งเคยฝึกฝนอบรมมาน้อย บางคนไม่เคยฝึกฝน อ, อบรมมาเลย น, น, นี่ตรงนี้แย้กันบางคนเคยฝึกฝน อ, อบรมมามากเขาทําความรู้ทำความเข้าใจแต่น้อยเขาก็ไปได้เร็วเคยฝึกฝนอบรมมาก็ายังพอถูกพอไถ่ไม่เคยฝึกฝนอบรมมาเลยมันไม่มีความเริ่อมใสศรัทธาที่จะทําเมืม่อมีไม่มีความเริ่อมใสศรัทธาที่จะทําแล้วเมื่อเราไม่มีสะพานเชื่อม ไม่มีสะพานที่จะข้ามไปเพื่อเชื่อมกันเพื่อจะเดินก็ก้าวไปหากันมันเดินไปไม่ได้มันไม่มีศรัทธาเป็นตัวเชื่อมอโอกาสที่จะไปทํามันก็ไม่มีเพราะฉะนคนที่สอนอยากว่ายากสอนอยากบอกไม่ได้สั่งสอนไม่เอาคือคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาแล้วก็พลาดจากประโยชน์ทั้งหมดแ่ะแม้จะประโยชน์มีค่า าหาประมาณไม่ได้อย่างเฉพาะหน้าแต่ถ้าหากไม่มีความเชื่อสายศรัทธาแล้วก็ประโยชน์เหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับหัวใจดวงนั้นมันไม่มีศรัทธามันไม่มีความเชื่อเหมือนอย่างอุปกะอุปกะชีวกตอนพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกเห็นผิวผันของพระองค์ผ่องใสก็สนใจถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านาพุทธเจ้าท่านบอกเราเป็นสยามภูสยามภู คือเราตัดสัตรู้ชอบเองเสียามภูแปล ว, ว่าเป็นเองพระผู้เป็นเองเสยามภูอุปกาอุปกากเห็นแต่เรื่องเหลือเชื่อแลบลินปริ่ยนตาถุยน้ำลายแล้วก็เดินหลบไปไม่ได้อะไรนั่นคือไม่เลื่อมสายศรัทธาไม่มีอะไรไม่เหมือนตะปุษสักภริกะไม่เหมือนตะปุษสักภริกะไม่เหมือนพระยาศศักดะ์ไม่เหมือนพระ ปัญจะวะัคีไม่เหมือนพวกนั้นเขาคบเขามาประสบพบเห็นเขาได้ประโยชน์ต่ปุสะกะได้ถวายเข้าสัตุพองสตุูขอนอแล้วแสดงตนเป็นอบาสกคนแรกอ้างถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรร ม, มเขาได้ประโยชน์แต่อุปกาอุปกาชีบอกนี้ไม่ได้อะไร แลบลิ้นปิ้นตาแล้วก็ออกไปเพราะไม่มีความเชื่อไม่มีความเดิมใสยักษ์ักดิ์คุณบุตรนะนี่เบื่อนายรำคาญในบ้านเป็นลูกเศรษฐีเดินลำพึงลำพันธ์ที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องเดินบ่นไปที่ปาอสิปันตนาพฤกตายวันพุทธเจ้าทั้งข้าตรัสเรียกเออที่นี่ไม่วุ่นวายมาที่นี่พอเห็นก็เริ่อมใส่ศรัทธาก็ตั้งใจฟังธรรมได้เป็นพระโสดาบัน ตอนสายมาพ่อตามหาพ่อก็ไปเห็นไปเห็นรองเท้าถอดของลูกถอดเอาไว้พอเดินก็นไปอีกก็เห็นพระาศาสดาถามหาลูกพุทธเจ้ า, านั่งลงตรงนี้เรอาจะแสดงทําให้ฟังพุทธเจ้าเคยแสดงทําให้แก่พ่อของยักศักอีกยักษ์ศักดอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เห็นกันพ่อได้เป็นพระโสดาบัน ลูกได้ฟังสองครั้งเป็นพระอรหันต์น่า ไ, ได้ประโยชน์ความเริ่มใสความศรัทธาความเกี่ยวข้องกันด้วยบุญด้วยกรรมแต่เกา่าแต่ก่อนมันมีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นสะพานเชื่อมศรัทธาจะต้องนำหน้าศรัทธาต้องมาก่อนอแต่ว่าจะต้องมีธรรมะอย่างอื่นเป็นบริบาลตามหลังมา เช่นอย่างอินทรีห้เนี่ยแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยศรัทธาต้องมาก่อนสัตินรีเนี่ยศรัทธาพระศรัทธาสัินสี่ศรัทธาพร ะ, ะวิริยะพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระกำลังคือศรัทธา กำลังคือความเพียรกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลัง like คือปัญญาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นใหญ่ของมันที่เรียกว่าอินทรีสัททินทรีวิริยิทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญยทรีความเป็นใหญ่ของมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจมีที่ใจเกิดที่ใจเราพูดไปแล้วมัน พันสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดในมุ้ยใจของเราธรรมะมันจะสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาศึกษาที่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอาศัยความเลื่อมใสอาศัยความศรัทธาเราอยู่ตรงนี้เราอยู่บนเส้นทางที่ดําเนินไปเพื่อความถูกต้องโดยถ่ายเดียวแต่ต้องอยู่ภายในกรอบของศีลของธรรมกรอบของพระธรรมกรอบของพระวินัย ถ้าผิดจากครองของศีลของธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่รับรองเพียงแต่เราถือเพศเฉยเฉยรับรองไม่ได้ถือเพศพระเหลืองเฉยเฉยโกนหัวกวนผมโกนคิว้วนุ่งเหลืองอมเหลืองเฉยเฉยเนี่ยยังรับรองไม่ได้ว่าเราจะไปสู่ความสุขความเจริญได้บางทีข้อปฏิบัติไปอีกอย่างหนึ่งรูป เพืนไปอีกอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติไปทําอีกอย่างหนึ่งผลที่มันจะเกิดขึ้นน่ยมันจะต้องเกิดขึ้นตามกิริยาแห่งการปฏิบัติถ้าเราไปทําตัวผิดทํากิริยาผิดผลที่จะพึงตามมาก็ไม่มีผลาาธรรมะที่ชื่นว่านิยานี้ก็ทําสามารถนําเราออกจากกองทุกข์ได้มันก็ออกไม่ได้เนื่องจากว่าการกระทําของเราทุกครั้งเนี่ยมันเป็นการไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ มาผูมพันมัดมือมัดตีนมัดหิรมัดใจมัดเจ้าของตลอดแทนที่จะเป็นการรือ้อเป็นการแก้เป็นการมัดนี่คือการดําเนินผิดไม่ใช่ว่าเพศไม่ใช่ว่าลักษณะโกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วจะรับประกันได้ว่าเราจะดําเนินไปในทางที่ถูกต้องข้อปฏิบัติจริงเป็นเรื่องสําคัญทํำให้เราต้องได้มองไปที่ศีล ศินแปดสินห้าสิของยอมศินแปดแม่ชีแม่ขาวศินสิบของสามเณรสินสองรอยิบเจดพระเจ้าพระสงฆ์เรามองไปที่ศินเราก็ได้ข้อปฏิบัติศินข้อนั้นท่านห้ามอย่างนั้นเราก็งดเว้นตามนั้นข้อข้อนั้นท่านห้ามอย่างนั้นเราก็งดเว้นห้ามอย่างนั้นเราก็งดเว้นท่านอนุญาตให้ทำอย่างนั้นเราก็เราก็ทำตามที่ท่านอนุญาต ท่านอนุญาตให้ทำอย่างนั้นเราก็ทำตามที่ท่านอนุญาตให้ทำในเมื่อเราทำเหตุสมควรที่จะทำให้เกิดผลที่เทียนที่ทสเสดงว่าทำมนุษย์ธรรมะปฏิปฏิผลก็ย่อมจะปรากฏขึ้นกับเรานี่มันสัมพันธ์กันไปหมดแล้วแหละทำไมเราจึงต้องบวชทำไมเราจึงต้องปฏิบัต เพื่อเรามาสู่คนทางตรงนี้มาสู่สายทางตรงนี้เพราะสายทางตรงนี้เป็นสายทางที่ขัดเกลาจิตนิสัยของตนเองให้ดีขึ้นให้พอดีขึ้ น, นจากอยาพละเอียดให้พอดีจยิ่งขึ้นต้องอดต้องทนอย่างยอดยิ่งยวดไม่ใช่อดทนธรรมดาเหมือนอย่างเราทนหนาวทนร้อนทนแบกของหนักยกของหนักไม่ใช่ทนแค่นั้นทนมากกว่านั้นอีกทนขั้นไหนอ่ะ ขั้นเอาเป็นเอาตายต้องทนมากกว่า น, นั้นอีกเพราะความฝ่าฝืนของติเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นเหตุชวนให้เราหลงเคลิ้มไปตามมันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเบาสบายหละเพลินไปกับมันอย่างสบายๆเย็นๆนี่แหละโดยที่เราไม่รู้สึกเงื้อม่นรู้สึกตัวไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัว แต่ถ้าเราจะเทียบกับความหนักมันหนักยิ่งกว่าต้องอดทนต่อแดดต่อหนาวต่อร้อนต่อหิกวกระหายต่ออะไรทั้งหมดเราจะต้องใช้ความอดทนมากกว่านั้นเอาแค่ว่าเราเก็บใจเราเก็บใจมันเก็บขั้นไหนแค่ไหนบางทีถึงก็ต้องทําลายสมบัติของตัวเอง่ะตีหม้อตีหายตีอะไรของตัวเองก็มีบางคนบางทีถึงก็ทําลายตัวเองก็มีบางทีถึงก็ทาําททลายคนอื่นก็มี แค่เครียดแค้นชิงชังเสียใจแค่เนี้คือความผิดหวังความเสียใจ<ม>เรื่องมากของกิเลสเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันรุนแรงเราไม่ทันมันเมื่อในเมื่อเราไม่ทันมันแล้วก็หลงเคลิ้มไปกับมันแบบไม่รู้สึกนัวเนือเน้อไม่รู้สึกตัวตัวเนี้เราจะรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวนี่ยากรู้สึก เนื้อรู้สึกตัวได้ต่อเมื่อเราตั้งใจฝ่าฝืนอบรมบมนิสัยร่วมตัวจริงๆมิฉะนั้นรู้ยากต่าใจยากท่านที่ให้รักษาศีลท่านที่ให้ทําสมาธิที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมทาให้จิตได้รับความสงบมันสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเราก็มีความสุขมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานอบรมให้สงบบ่อยๆครั้งๆบ่อยๆครั้งๆจิตของเราก็ปลอดโปรง่งแจ่มใส ไม่มืดเมืด่ดทึบๆไม่เศร้าไม่หมองไม่มัวไม่หมองอมีความสว่างมีความแพลวแพรวด้วยสติเบา อ, อกเบาใจอยูนน่นั้นเนื่องจะเราฝึกผลอบรมเพราะกิเลสมันมายุ่วจิตมายุ่งยุ่ยุ่งยุ ย, ย, ยงส่งเสริมจิตไม่ได้มันยุยงส่งเสริมยังไงยุยงส่งเสริมให้รัก บ, บ้างให้ชังบ้างให้เกลียดบ้างให้โกรธบ้าง ให้อิจฉาให้ทิศเสียให้พยายาบตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันยุมันยุ่มใจของเราจนใจของเราเนี่รีทั้งรีทั้งขวางขวางแม้กระทั่งตากวาขวางขวางแม้กระทั่งมาถึงตาเนื่องจากว่าใจมันถูกกิเลสยุ่ยุให้รักยุให้ชังยุให้กโกรธยุให้เกลียด น, นี่ถ้าเราตามมันมันก็เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราภาวนาให้จิตสงบมันมายุจิตเราไม่ได้จิตของเราไม่ถูกกิเลสมายุยุแยก็กวนจิตก็มีความสงบจิตก็มีความสุขมันมีความ ส, สงบมันมีความสุขมันมีความเชื่อมมันมีความอิ่มเ อ, อิบเราลองทำให้ได้รับรสชาติเป็นปัจจัยต่างเราทราบได้โดยตัวของตัวเราเองมันเป็นความสงบมันเป็นความสุข มันเป็นความอิ่มมันเป็นความอาร่อรยๆภายในหัวใจของเรานะ่ะยิ่งกว่าเราบริโภคอาหารให้ให้ให้ได้รับความอิ่มเอิบในของกายอีกเมื่อจิดอิ่มเอิบจิตไม่นึกไม่คิดอ่มอม ไ, มดไม่ถูกกิเลสยุยุยงส่งเสริมให้นึกให้คิดจิตก็มีความสงบจิตก็มีความผาสุกเราจิตของเราก็เป็นตัวของตัวเมื่อเป็นตัวของตัวแล้วทําไง เมื่อเป็นตัวของตัวแล้วท่านให้เราพิจารณาพิจารณาที่ไปพิจารณาที่มาของกายของเราพิจารณาที่ไปพิจารณาที่มาของจิตของเราเนี่ยพิจารณาถึงความชอบใจเพราะเหตุใดเราถึงชอบใจเพราะเหตุใดเราถึงไม่ชอบใจเพราะเหตุใดเราถึงรักเพราะเหตุใดเราถึงชังเพราะเหตุใดเราถึงโกรธเพราะเหตุใดเราถึงเกลียด เพราะเหุใดเราถึงอิจฉาดิษยาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลทั้งหมดเราพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาเพื่อย้อนไปหาเหตุของมันเหตุให้รักให้ชังให้โกรธให้เกลียดให้อิจฉาดิษยาอยาบาตถึงกับอาฆาตจองเวนฆ่าแกงกันเลยกันพิจารณาไปถึงสาเหตุรากเง้าต้นต่อของมันเราถึงจะเห็นสาเหตุต้นต่อที่แท้จริงถ้าเราไม่พิจารณาอาศัยความสงบของจิต แล้วก็มาพิจารณาแล้วเราก็ไม่ทราบไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนแน่นอนว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ที่แท้จริงของมันเจอแต่เหตุผลจอมปลอมเหตุผลจอมปลอมมันนึกเองคิดเองเอาเองเดาเองว่าอันนี้เป็นจากนี้อันนี้เป็นจากนี้อันนี้เป็นจากอันนี้ไม่ทราบความจริงว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความรักที่แท้จริงไม่รู้จักเป็นเหตุแห่งความโกรธที่แท้จริงไม่รู้จักอะไรเป็นเหตุแห่งความเปรียดที่แท้จริงไม่รู้จัก ความอิจฉาริษยาความพยาบาทอะไรคือสาเหตุต้นต่อที่แท้จริงของมันเราไม่รู้จักในเมื่อเราไม่รู้จักเราก็สุ่มไปเราก็เดาไปบางทีเราคิดว่าเราแก้แต่มันเป็นการกลับไปมัดผลตามมาก็คือกองทุกตามมามัดจิตมัดใจของเราเองการแก้ปัญหาจริงแทนที่จะเป็นการแก้เป็นการมัด แทนที่จะเป็นการลดปัญหากลับเป็นการเสริมปัญหากลับเป็นการเพิ่มปัญหากลับเป็นการไม่คุ้มค่ากลับไปเรื่อเวลาที่เราไปแก้ปัญหายิ่งทาให้เราเสียผลประโยชน์เสียจิตเสียใจเสียผู้เสียคนไปมากตัวมากการปฏิบัติธรรมอาศัยความสงบของจิตนั่นแหละ มาพิจารณาหาเหตุหาต้นต่อของมันกำหนดดูกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่เป็นหลักทิ้งไม่ได้ดูไปที่ไหนดูไปที่ใจดูง่ายๆที่แรกก็ดูให้เห็นความอยากภายในใจของเรามาแสดงเข้ามาที่ใจของเราสมมติมันอยากมันนึกคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งล่องไปแล้วสองขณะจิตสามขณะจิตหรือสิบขณะจิตก็ตามเนี่ยพอเราย้อนตามมันไป เราลึกได้โอ้มันคิดเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีมันหากมีสัญชาตญาณบอกโอไม่ดีไม่ดีเราก็สงบไปชะลอไประงับไปแล้วพยายามย้อนเข้าไปย้อนดูสาเหตุต้นต่อว่ามันคิดเรื่องอะไรย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปจนถึงเรื่องนั่งเดิมที่มันผ่านึกที่มันผาคิดย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปการพิจารณากลับไปพิจารณากลับม า, านี เป็นการสาวหาสมุทัยคือกิเลสแต่เวลามันเวลามันเกิดมันเกิดที่ใจมันมีกิริยาของมันอยู่มันมีปฏิกิริยาอยู่มันหากมันดันดนนูนนูนมันหากแสดงผลปรากฏออกมาภายในใจของเราดูให้ออกพยายามดูให้ออกนักนักภาวนานักปฏิบัติจะดูออกจะดูออกพอดูออกแล้วเราก็เราก็จะยกยกผลประโยชน์ให้มันทั้งหมด จอมรับโอ้มันเป็นเพราะอันนี้จริงพเพราะสาวไปสาวไปพ อ, พอไปถึงพอไปถึงพอไปถึงเราก็หมดความสงสัยเรื่องโอ้มันเป็นไปจากเรื่องนี้เองเราจับตรงนี้เองมันมันพาเราหลงนึกหลงคิดจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวยืดยาวไม่รู้จบจบไม่รู้จบสิ้นที่คือการพิจารณาเราท่านให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลักท่านจึงให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธเพื่อใจสงบ ว่าคำเดียวบริกรรมคำเดียวนั่นน่ะนึกเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวดั้มเรื่องเดียวเนี่ยภาวนาคำเดียวเนี่ยพุทโธพุทโธสองคำเนี่ยทําความรู้สึกอยู่กับคําที่เราบริกรรมเนี่ยแหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธุธไม่ให้จิตไม่ให้กิเลมันมาแทรกจิตถ้ากิเลมันแทรกจิตแล้วมันเอาจิตไปใช้อย่างอื่นเรื่องอื่นเราไม่ทันมันเลยพอเราตามทันเราดึงกลับ พอตเตาเราตามทันเราดึงกลับเราดึงกลับเราดึงกลับมาแล้วเราพยายามใช้ใช้เจตนาเนี่ยแหละคิดย้อนหลังให้มันสาไปหาต้นต่อเบื้องหลังที่มันฝานนึกภาพคิตสาวไปสาวไปสาวไ ป, วไปทั้งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ไม่ปล่อยไม่ปล่อย อ, อาศัยความเจตนาความจงใจนึกคิดดําริมีสติมีสัมผชัญยะรู้ตัวพร้อมอไม่งั้นเดี๋ยวความหลงมันมาครอบ เรามาครอบแป๊บเดียวมันเอาไปแล้วครอบแป๊บเดียวมันเอาไปแล้วเราพยายามดูให้เห็นแต่ละแปบ๊บแต่ละแปบ๊บแต่ละแปบ๊บมันจะได้กําลังใจมากเอเห็นความหลงของตัวเองมันจะได้กําลังใจนี่แหละท่านจึงให้ภาวนาเพื่อมารู้จักกิเลสสิ่งที่จะพาให้เราเยได้รับความทุกข์ได้รับกองทุกข์จากมันผลจากที่กิเลสมันพานึกพาคิดเนี่ยตามมาทุกระยะ ไม่มีความสุขแบบมีแต่ความทุกข์ตามมามีแต่ความทุกข ม, มาีตมแต่ความทุกข์ตามมาเต็มแปร่ความทุกข์ของมันอาจจะยินดีอาจจะพอใจอาจจะเพลิ ด, เพ ล, ดเพลินไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยพอเวลาเราไปหลงตัว ท, ทําตามมันจริงๆเข้าอ้าวกลายเป็นปัญหามัดมือมัดตีนมัดคอมัดจิตมัดใจของเราเราดูบางคนที่หลวมตัวประกอบกรรมทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง อืเขาเรียกว่าหลวมตัวให้กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งชั่วประเดี๋ยวประดาวหั่นแหละเช่นอย่างฆ่าคนฆ่าคนตายเนี่ยหรือไปชก ค, ค, คนเนี่ยหรือไปตีคนเนี่ยหรือไปแทงคนเนี่ยหลงไปกับอารมณ์ชั่วประเดี๋ยวประดาหลงเผลอทําไปแพลบเดียวอ้าวกลับเป็นผลที่เราจะต้องได้รับความทุกข์ตา ม, มามากมายยืดยาวะต้องทิศคุก เขขึ้นโรงขึ้นศาลจากนั้นแล้วก็เป็นการสร้างเวียนสร้างภัยสร้างภัยให้กับตัวเองในเมื่อเราทําเขาเดี๋ยวเขาทําเราอ่ในเมื่อเราจะฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็จะฆ่าเราบ้างในเมื่อเราตั้งใจฆ่าคนหนึ่งตายเพราะเราฆ่าแต่ในที่สุดเราก็จะต้องตายเพราะเขาฆ่าเราเหมือนกันนี่คือมันหลวมตัวแล้วก็ทําไปแล้วก็ มันมีกรรมาตอบสนองอยู่ทุกระยะทุกเวลาทําไมจึงต้องมีกรรมตอบสนองเพราะมันเป็นผลสะท้อนที่ให้เกิดขึ้นระหว่างจิตของเราจิตของเขาเขาชอบยังไงเราก็ชอบยังงั้นเราชอบยังไงเขาก็ชอบงั้นเขาไม่ชอบสุขอาเขาไม่ชอบทุกข์เขาชอบสุขเราก็ไม่ชอบทุกข์เราก็ชอบสุขแต่เวลาเราไปทําเราไปทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนทุกข์เดือดร้อน ผลนําก็ย้อนมาเล่นงานเราบ้างเหมือนอย่างสุภาษิต ท, ที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนมันเป็นเรื่องที่ว่าเราทําทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนอันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมมตอบสนองเช่นอย่างเราทําโทษกับกอเนี่ยไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องกอมาตอบสนองเราอาจจะเป็นคอควายอาจจะเป็นคอระครังในคอในงอ น, นอะไรต่างหากที่จะมาตอบสนองเรา คนอาจจะเคยตายเพราะเราฆ่าเราก็เราก็อาจจะตายเพราะถูกเขาฆ่าเหมือน ก, กันแต่มันไม่ใช่คนที่เราฆ่าเขาเขากลับมาฆ่าเราไม่ใช่ก็เป็นคนอื่นอะไรมาฆ่าเร า, าเคยตายด้วยกิริยาแบบไหนมักจะได้รับกิริยาแบบนั้นต่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมผลแห่งกรรมอป็ผลแห่งกรรมผลแห่งกรรมไม่ให้ผลทั้งปัจจุบันให้ผลทั้งทั้งร่วงไป กี่พบกี่ชาติไม่จบไม่สิ้นถ้าเราทำผลดีกุศลผลบุญก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ส่งเสริมไปทุกพบทุกชาติจนกว่าจะวิมุตถ์หลุดพ้นไปถ้าปรารถนาใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าต้องสร้างบุญบารมีมากมายมหาศาลต้องประสบพบเห็นสิ่งต่งตางๆเหล่านี้บ่อยๆเนืองเอืม ต้องทนทุกทรมานสร้างบุญบารมีกว่าจะเต็มแต่สำหรับผู้ที่เป็นสาวกนิสัยสาวกบารมีได้ยินได้ฟังข้อปฏิบัติยังไงเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็ตั้งใจปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นไม่เนิ่นนานด้วยความฝึกฝนอบรมตั้งใจฝึกฝนอบรมมันก็จะได้ผล เป็นเกาะเป็นกำรรไปเรื่อยๆ เ, เนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างบา ร, รมีมากมายด้วยอายุการเวลามากมายมหาศาลเป็นกับๆถึงขรานั้นก็ตามก็ต้องมีการสั่งสมเพิ่มพูนบา ร, รมีมาเรื่อยๆ เ, เหมือนกันนั่นแหละนี่คือการคือความจำเป็นว่าทำไมเราจ้องเราจะต้องบวชทำไมเราจะต้องปฏิบัติ เพราะว่ากิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของเราถ้าเราไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้เราก็ไม่มีข้อปฏิบัติเราไม่ได้อยู่ในถ้ากลางตลาดแห่งข้อปฏิบัติมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีแต่จะไปเข้าข้างกิเลสวันคืนล่วงไปเท่าไหรเท่าไรก็มีจะไปเข้าข้างกับกิเลสทั้งหมดมันก็เป็นการสร้างเวรสร้างภายัยสร้างกรรมสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองไม่หยุดไม่ย่อนแล้วก็ไม่รู้สึกเนื้ม่รู้สึกตัวซะอีกด้วยอํานาจของความลุ่มหลง ถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วตั้งใจฝึกฝนอบรมมันเป็นงานที่ละเอียดมันเป็นงานระดับพพระดับชาติเป็นงานระดับชีวิตจิตใจคือการส่งเสริมเพิ่มพูนบุญบา ร, รมีแห่งตนแห่งต น, ตนอันนี้อันนี้จึงเป็นเป็นเรื่องสำคัญอย่างอื่นอย่างอื่นวิธีอื่นหายากถ้าไม่ใช่วิธีของพระพุทธศาสนาและหายากแม้แต่ศาสนาอื่นก็ยังหายาก ที่จะชี้มาถึงสาเหตุต้นต่อที่แทจ้จริงเพื่อที่จะระ ง, งบบับดับความทุกข์ต่อใหทั้งปวงภายในหัวใจของเราเชี้ชัดเข้ามาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีมีได้ลุกลุกคลำบางทีแทนที่จะไปแก้ก็เป็นการไปมัดเนยบางทีก็แทนที่จะเป็นการไปมัดกลับเป็นการไปแก้เันี้ยหมายถึงแก้ปัญหามัดปัญหานี่แหละ เพราะว่าชีวิตจิตใจของคนเราทุกคนเนี่ยมีปัญหาทุกระยะคาว่าปัญหาก็คือเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เราจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเป็นเหตุจะต้องแก้ปัญหานับตั้งแต่เรื่องปากเรื่องท้องแก้ปัญหาไปแล้วการบริหารบริหารอิริยบทนี่เป็นการเรื่องแก้ปัญหาการกินการอยู่การดืม่ม การอาบการพักผ่อนหลับนอนอะไรต่างๆเป็นเรื่องแก้ปัญหาทั้งหมดเจ็บไข่ได้ป่วยบริโภคใช้สอยยุกยาอะไรต่างๆเป็นเรื่องการแก้ปัญหาทั้งหม ด, ด, หห ม, ดมันเป็นเรื่องของอัตภาพร่างกายแต่ว่าปัญหาของใจมันมีมากมายมหาศาลมากกว่านี้ถ้าเราสนใจในเรื่องกายเราก็เข้าใจในเรื่องกายถ้าเราสนใจเรื่องกายด้วยเราสนใจเรื่องใจด้วย สาเหตุต้นต่อเหตุให้เกิดความทุกข์ภยในใจเราก็สามารถทราบแล้วก็รู้ข้อปฏิบัติรู้รรวิธีกำจัดรู้หนทางที่จะเข้าไปถึงรู้หนทางที่จะเข้าไปดับได้เพราะฉะนั้นเราพวกเราจึงเหมือนอยู่ท่ามกลางตลาดแห่งการศึกษาปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ะทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอย่างบวชเป็นพระนี่ก็อายุต้องสิบเก้าปียี่สิบปีข่านถึงให้บวชก่อนที่จะได้บวชพระเนี่ยเราก็เป็นคาวาะมาแล้วยี่สิบปีหมายถึงว่าครบอายุ บ, บวช20ยี่สิบปี ย0ิบปีมันไม่ใช่การเวลาที่ใกล้ๆเป็นระยะเวลาที่สั้นคิดดูยี่สิบปีอ่ะเราก็ครุกคลีดีมองกับเกลีดมาเท่าไหร่กับการที่เรามาบวชห้าวันสิบวันให้รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันก็ยากบวชเจ็ดวันสิบวันเนี้ยถ้าเราจะเที่ยวกับเมื่อกว่ามือไพจุ่มน้ำาะไน้ยยังไม่ซึมหมดเลยน้ำมันยังไม่ได้ซึมหมดอ ท, ทุกเกร็ดของผิวผิวหนังว่างั้นเถอะยังไม่ชุ่มเลยจุม่มยังไม่ชุ่มเลยดึงขึ้นเหนมาแล้วมันก็แค่นั้นเลยได้บุญก็ได้ได้บุญได้ในสมก็ไปตามการตามเวลาที่เราทำกับคนที่ตั้งใจยาวไปทำไปเรื่อยไปตลอดไป เรามาคิดถึงผลที่จะเกิดจะเพิ่งเกิดขึ้นมันต่างกันมากมันต่างกันมากคนเราเวลาเป็นอยู่นี้เราก็อาศัยกายนี้อาศัยจิตนี้อืมพอเวลาร่างกายนี้แตกดับไปแล้วจิตใจยังไม่แตกดับแต่จิตนี้จะต้องไปด้วยอำนาจของบุญจะต้องไปด้วยอำนาจของบาปอืถ้าทำบาปมากก็ไปสู่ภพภูมิที่ต่ำซามกว่าที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ถ้าเราทําคุณงามความดีมากเราก็จะไปสู่พบภูมิที่ดีกว่านี้มีความสุขมีความสมหวังเกิดในปฏิรูปประเทศในที่ที่เหมาะเราต้องการจะทำอะไรมันก็มีที่ที่สลับเราจะทำต้องการจะปฏิบัติเขามีที่ปฏิบัติต้องการจะได้ยินได้ฟังคำบอกคำสอนก็มีครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอน เขาเรียกว่าบุคคลที่ไปเกิดในที่ที่เหมาะที่เขาเรียกว่าปฏิรูปร ป, รประเทศปฏิรูปประเทศแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมสั่งสมอบรมบ่มนิสัยจริงๆแล้วเราไปเกิดในที่ผิดคือในที่ที่อยากภาวนามันก็ไม่มีที่ภาวนาอยากฝึกฝนอบรมก็ไม่มีไม่มีคนจะบอกจะสอนแม้แต่สมัยพุทธกาลเหมือนกันนะบางคนแม้แต่คําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยได้ยินเพราะได้ยินเท่านั้นแหะหูพุงเลย เหมือนอย่างอนาถบินทิกาเสียนทะีเลยพอได้ยินคำว่าพ ร, พระพุทธเจ้าเกิดแล้วเนะี่ยโหพึงเลยแหละนอนไม่หลับคืนทั้งคืนเนะี่ยพยายามจะไปกราบพระพุทธเจ้าให้ได้เนะี่ยคือบุญวา ร, รมีเก่าก็ามีได้ยินแค่นั้นก็มอนเป็นการจุดประกายให้กับจิตของตัวเองเกิดความเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาจากนั้นก็ทำบุญเท่าไร่ก่กันทาบุญทา บ, บุญจน ทุกยากจนยากจ น, กจนลงอนาถบินทิกาเธธสถียรัสยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นพระสกิธาคามีพระโสพระอนาถาบินทิกาอนาถาบินทิกเสถียร์เป็นสกิตาคามีอันั้นก็ตายยังไม่ได้เป็นอนาคามียังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ก็เป็นอุบาสกผู้ยิ่งใหญ่นะ เกี่ยวข้องกับพระศาสดาสมัยพุทธกาลท่านมีก็ด้วยบุญบารมีที่ต้องสร้างสมอบรมมานั่นแหละจึงวนาไปประสบพบเหตุเห็นเป็นปฏิรูปประเทศไม่งั้นไม่รู้ไปตกทวีปไหนก็ไม่รู้ละไปเกิดในที่ที่ไม่มีอะไรที่จะเอื้ออานวยกิเลสมันก็ดึงจิตไปในที่ตกต่ำอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆื่อยๆกลายเป็นเนื้อนหนังของมันทั้งหมดอีกแกกันอีกอยู่อย่างนั้นแหะ ความเป็นไปในวัตฏสงสารนี่มันมีแต่กองทุกข์เพราะฉะนั้นท่านยิงให้เราแก้เรามีพระศาสนาเรามีคําสอนเรามีครูบาอาจารย์มีวัดวาพระศาสนาเพื่อที่จะมีมาฝึกฝนอบรมเพื่อที่จะแก้แก้ความไม่ดีของตัวเองให้ดีดียิ่งขึ้นจะลดจนดีเยี่ยมพ้นวัตฏสงสารไปได้พ้นเกิดผลแก่ผลนเจ็บพ้นตายไปได้เพราะนั้นเป็นอุดมกติที่สูงสุด เราตั้งใจศึกษาจริงๆเราจะเห็นความสําคัญเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระศาสนาเราจะเห็นความอัศจรรย์ของพระธรรมที่พระเจ้าท่านทรงตรัสท่านทรงบอกทรงสอนอพวกเราก็ได้ยินได้ฟังตั้งอกตั้งใจก็แล้วกันวันคืนล่วงไปแล้วให้ความสําคัญให้มากกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่งั้นเรา แล้วก็หวังลมๆแรงๆได้รับความสุขกับสิ่งนูน้นกับสิ่งนี้นิดๆหน่อยๆแล้วเมื่อเราหวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากมันหากมีความพอใจที่จะทํามันหากมีความพอใจที่จะอยู่ที่จะทําที่จะปฏิบัติที่จะบึกที่จะเบินที่จะอุตสาพยายามทุกอย่างลาบากระไหนก็ตั้งใจทําได้ ปัญญามันต้องปัญญาจิ้มปัญญาปัญญารับปัญญาปัญญาฝนปัญญาเอากิริยาข้างในเป็นสําคัญกิริยาข้างในรู้ตัวกิริยาของเราข้างในเป็นสาคัญอย่าไปให้ความสําคัญแต่ข้างนอกดูเห็นข้างนอกรู้หลาโออาแล้วก็ให้คะแนนนิยมชมชอบข้างในขี้หมูราขี้หมาแห้งเราไม่สนใจ สร้างสร้างความน่าดูข้างในเราเนี่ยมันเป็นทองแท่งอยู่ข้างในเนี่ยข้างนอกใครจะดูเป็น ผ, ผ้าผกี่รือ้อเป็นขี้หมูราที่มาแห้งไปช่างนั้นให้ความสําคัญกับตัวเองปุกตัวเองสอนตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองที่สําคัญที่สุดให้เกิดความรู้สึกอยากได้บุญตัวนี้ไอ้เยี่ยม ตื่นขึ้นมาเมื่อไหรมันมันอยากได้บุญอ่ะมันก็ทำเอาแหละตื่นขึ้นเมื่อไหร่ว่าจะตื่นแค่เดียวลุกแล้วมันอยากได้บุญอยากได้บุญคนหมดจดจอภาวนามามันได้บุญระยะทุกระยะน่ะมันไม่อยู่กับที่นะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะะการปฏิบัติชำระใจหน่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงก็ให้รู้ เปลี่ยนไปยังไงก็ตามอ ย, าอย่าให้ความสําคัญมั่นหมายมันให้รู้ตามแล้วก็อย่ายึดเอารู้ตามแล้วก็อย่ายึดเอายึดยึดได้เฉพาะข้อปฏิบัติพระอุตสาพยายามความขยันมันเพียนอีกอันนี้เรายึดเอาไว้มันเป็นทางดําเนินเป็นข้อปฏิบัติสิ่งที่เป็นผลแปลกประหลาดในจิตเนี่ยบางการบางคราวเราก็ระลึกเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองระลึก อย่าไปยึดยึดจะเอาอย่างงี้จะเอาอย่างงี้จะเอาอย่างงี้มันไม่ได้อย่างใจกับทุกข์อีกอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทำเอาใหม่อะไรผ่านมากับผ่านไปกับทำเอาใหม่เคยเป็นยังไงก็อยาให้มันเป็นอยางงั้นมันไม่เป็นอะไที่มันเป็นมันล่วงไปแล้วมันผ่านไปแล้วทำเอาใหม่ทำเหตุใหม่อันที่ล่วงไปแล้วมันก็ไม่ไปไหนหรอก มันก็ไปฟังอยู่ที่ใจนั่นแหละจะสมอบล้อมอยู่ที่ใจนั่นแหละตั้งใจนะหน้าทุกคนเนี่ยเออนุ่นหนักฝังด้วยข้อปฏิบัติที่เราทําอยู่นี้มันไม่หนักหนาสหาหัสอะไรดอกเราตั้งใจทําเพื่อคุณงามความดีแท้ๆนี่เราก็ทําไดใ้ให้ทําให้เหมือนๆกันอย่าไปทําให้มันแตกต่างกัน พวาหนึ่งทำพวกหนึ่งไม่ทำมันก็เสียแล้วทำทำก็ทำเหมือนกันปัดกวาดเช็ดถูปูอัสนะอะไรก็ให้ทำเหมือนกันอย่างตอนเช้าหนึ่งก็าทำวัด ส, สวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนานี่ก็ให้ทำเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องดีมันไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องดี จะให้มันถูกใจเราทั้งหมดมันไม่ถูกหรอกเพราะภายในใจของใครของเราเนี่ยอยากสะดวกสบายใครต่อใครอะทุกคนอะอยากสะดวกสบายอยากอิสระอยากสะดวกสบายไออยากสะดวกสบายตามใจฉันเนี่ยมันมันมันมันไม่มีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ มันไม่ใช่เหตุเพื่อสะดวกสบายที่แท้จริงเหตุเพื่อสะดวกสบายที่แท้จริงก็ต้องเหตุที่เป็นไปตามธรรมตามวิ น, นัยทําเป็นไงวิ น, นัยเป็นไงเราทําไปตามนั้นนั่นแหะผลเจริญงอกงามขึ้นมาได้ในเรื่องความอยากสะดวกสบายใครก็อยากสะดวกสบายเนี่ยถามดูทุกคนเนี่ยใครอยากสะดวกสบายเท่านั้น อ, อยากทําอะไรตามใจชอบทั้งนั้นแหละลองถามดูไม่มีเว้นหรอกนะ แต่บางทีมันกิเลสมันมาลูกคลํากิเลสมันมาเกาะหัวใจมันพาสะดวกสบายไปเป็นเรื่องของกิเลสมันไม่มีผลอะไรที่จะให้เจริญงอกเงยจึงต้องมีข้อปฏิบัติจึงต้องมีครูมีอาจารย์บอกกันเป็นที่เคารพกันเป็นที่ยำเกรงกันมันเป็นการช่วยเหลือกันเป็นการประครับประคองจิตใจซึ่งกันและ ก, กันมันมีประโยชน์แก่กันนะ ลองไปปฏิเสธเรื่องเหล่านี้ปั๊บเนี่ยเมื่อเราตัดหางเราปล่อยแล้วและเราพร้อมที่จะเขารถเข้าพงคนเดียวอ่ะก็ไม่ปฏิเสธบางคนเป็นอัจฉริยะบุคคลเนี่ยมันก็ไปได้มันก็ทาได้แต่มันน้อยคนที่จะทําได้นิสัยเหมือนคุณเจ้าเนี่ยเป็นอัจฉริยะบุคคลมันมีน้อยส่วนมากมีแต่เป็น มีเกเรเป็นมหามิตรด้วยกันตั้งนั้นน่ะนะบางคนก็เรียวแรงโดยฤทธิ์เบรของมันเนี่ยท่านจึงให้มีแบบให้มีฉบับให้ฟังกันสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นยินนยบอกกันให้ฟังกันให้ทำตามกันจะให้สะดวกสบายถูกใจมันไม่ถูกดอกสิ่งที่มันพาเราฝืน ข้อปฏิบัติคือกิเลสนั่นแหละมันพาฝืนทำมันไม่พาฝืนนะทำมีแต่ดึงเราเข้าข้อเข้าหาข้อปฏิบัติกิเลสมันดึงเราออกบางทีเกลียบบางทีคลานมันอะไรสารพัดมันอยู่ในนั้นนะดูเถอะดูไปดูไปโอ้เราเนี่ยโดนมันกล่อบมันกล่าวโดนมันต้มมาสักเท่าไหร่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันโดนมันต้มดูให้เห็นในใจของเรา ดูให้เห็นใดูให้เห็นว่ามันต้มหรือเราเฉลาดขึ้นหรือเราจะได้ต้มมันบ้างอ่ะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดมีมียไหนจาเป็นที่ผมพูดบ้างอะไรบ้างทางกันเล่าเขาฟังนะเจเกี่ยวกับเรื่องบวชเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องความจําเป็นที่อุสาเสียสละมามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ทํากลางตรงนี้อย่าให้ได้ประโยชน์เหมือนกันอ เราไปทำให้แตกต่างกันก็ดูยากขอขอวัดส่วนรวมนีก่ก็ต้องให้คล้ายๆกันเหมือนกันข้อที่เราจะต้องมาทำรวมกันอนย่างตอนเช้ามนะันมีน ป, ประโยชน์นะไม่งั้นไม่งั้ น, ม, นมันก็ น, นอนไม่ลุกอะต้องไปปลุกมากินน่ะนะ ไม่เชื่อลองดูต้องไปปลุกมากินหน่อถ้าไม่มีข้อข้อปฏิบัติไม่ได้แบออยู่ในขั้นฝึกหัดจนกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้เราตั้งเนื้อตั้งตัวเราได้แล้วเนี่ย ยังไงมันก็ได้ยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่กับหมูน้อยห ม, มู่มากอยู่ยังไงมันได้ประโยชน์หมดใจที่มันตั้งตัวได้แล้วมันได้ประโยชน์หมดอยู่ยังไงมันก็พึ่งตัวเองได้หมดอ่ะแต่ตรงที่พึ่งตัวเองยังไม่ได้เนี่ยมันจิตจืด จ, จ, จางเนี่ยแป๊บเดียวจักมันดึงไปไหนแล้วแป๊บเดียวจักมันไม่รู้มันดึงไปไหนแล้วพยายามดูเห็นไอ้แว๊บเดียวแว๊บเดียวเนี่ย ตัวที่มันพลิกจิตของเราให้หลงนี่ยนะยําดูให้เห็นตรงนั้นนะความสงบก็ทําความสงบไปบงการบางคราวก็พิจารณาไปอย่าไปมองเห็นว่าจะมีอย่างอื่นดีกว่านี้ทางปฏิบัติ ด, ดีกว่านี้ไม่มีดีกว่าทำกว่าวินัยของพระติจาไม่มีดอกไม่มี เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดเป็นการรับประกันเลยว่าศาสนาใดก็ตามไม่มีมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดมันจะไม่มีพร ะ, พระอริยะบุคคลพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาาพระหรหันจะไม่มีในศาสนานั้นมันก็เพื้อนเหมือนโลกทั่วๆไปที่บางคนตั้งตัวทําดีหน่อยก็ได้ดีก็ดีแค่นั้นดีระดับแค่โลกชาวโลกนั่นแหละ แต่โอกาสที่จะตกไปจากความเดียนนั้นมันเยอะมันมากมากมายมหาศาลจัดโลกมากมายมหาศาลกว่าที่จะรู้สึกเน้รู้สึกตัวอ๋อคนนี้ใส่เอะอ